อย่านะอย่าทำนะแล้๋ยวไล่หนีจากวัดนะจะให้เราได้เห็นนะเห็นเราทำยังไงทำตามได้หรอเราทาเรามีเทคนิคของเราเรามีเรื่องของเราเราต้องจับดูข้าวในบาตของเราอันนี้มันแข็งอพอมันแข็งเราคิดว่าเรากินไม่ได้ข้าวมันแข็งเราคำคำในบาตของเราเราจึงแบ่งให้พวกโยนให้ไก่เนี่บอกว่าเราข้าวมันแข็ง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 องคนั้นก็มัวเมียเอาผมไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรผู้เห็นไหมผู้หญิงเดินตามหลังมานะ่ะไม่ครับไม่เห็นท่านหาเรื่องสิผมเลยเนี่ยไม่ใช่ผมเห็นกับตาทแท้เนี่ยผลที่สุดทะเลาะ ก, กันมาตามทางเลยนะเจององนี้จะไม่เดินตามหลังองค์นั้นแหลนะเจ้เพราผ ม, มันเป็นอาบหนักเนะี่ยอตบปาาชิกนะ่ะ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 เรื่องเลยดังไปถึงกราบทูลพระพุทธไถ่าวพระพุทธไถ่าก็เรียกมาแทนะ้เรียกมาทั้งสองฝ่ายเอพอเพราะพญาพระพาพาองค์นั้นนะพอได้พระยาปเสนหนุนหลังท่านหนักนะเ อ, อ้ชูคออะไรไนะตะกอนนะยอมเขาพูดอะไรก็ยายาามผมไม่มีผมไม่เห็น อ, อผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะไม่มเีเป็นบาปกรรมของผมมีแต่คน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 หอกล้อล้อเล่นกันเออเ อ, อลงหมัดลงมวยกันนะ่ะโตวาทะกันอยากจะพูดอะไรก็พูดไปได้นะให้สำรวมปากให้ดีนะเออถ้าไม่สำรวมปากให้ดีเดี๋ยวแปลกปากเป็นมะเร็งเอ อ, เ, อ, อเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายนะให้สำรวมปากสิ่งไหนที่มันไม่เ อ, อดีอย่าพูดพูดที่ออกไปแล้วมีความแตกแยกสามัคคีในหมู่ในคณะอย่าทํานะ นี่แหละนานๆหลวงพ่อจะได้เตือนพระเนนของหลวงพ่อเป็นครั้งคราวนี่แหละเจีงไหมที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังอท่างอยากจะดูในพระไตรปิฎกมีในธรรมประทัตรกรต า, าไปอ่านดูนะเรื่องเนี้ยจริงที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนี่หลวงพ่อมีอะไรหลวงพ่ออ้างอิงถึงหลักเหตุและผลอยากให้พวกพระลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา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 ท่านก็คำคำดูข้าวในบาดของขั้นที่มันแข็งพอมันแข็งเสร็จแล้วท่านยังทำถมน้ำลายจ่อีกเนีอถมน้ำลายใส่ข้าวที่มันแข็งแขงือให้มันกระจายให้มันเปียกทำมันกมันเหนียวใช่ไหมล่ะถมทำลายมันแตกท่านก็มันแตกกระจายเอาไปเลี้ยงลูกมั่งเนอะตดยมากท่านให้แก่แม่ลูกอ่อน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 ใช้จะปัจใจสี่ของพวกเราคณะสั า, า ญ, ญาติโยมนั่นะเราต้องพิจารณาอย่างนั้นดึงได้อาหารมากกับปฏิสังขายโยนิโสบินดาปตังปฏิเสวามิท่านได้ผ้ามากกับปฏิสังขายโยนิโสสิปังจะกระเสนาสนังแล้วก็เมื่อได้ยามากืคีลาณนะปัจจะยเพศัตท่านที่ได้พักพาใส่ขึ้นไปนอนกุฏิก่